นโมตัสสะภควะโตอรหะโตสมมาสัมพุทตะนโมตัสสะภควะโตอรหะโตสมมาสัมพุทตะนโมตัสสะภควะโตอรหะโต สมมาสัมพุทธสัจ งสรนังกฉามิธรรมังสรนังกฉามิสังขังสรนังกฉามิทุติยมปิพุทธัง สระนังกัจฉามิทุติยัมปิธรรมังสระนังกัจฉามิธุติยัมปิสังคังสระนังกัจฉามิ ตัทยมปิพุทธังสรนังคตฉามิตัทยมปิธรรมังสรนังคตฉามิตัทยมปิสังขังสรนังคตฉามิ ติดรณะกำมันนำธิตังเจริญธรรมอวันนี้วันที่ย4สวันอะไรวันพฤหัสบดีย4สกรกฎาคม2557้าห้าบเจ็ด วันนี้วันจะเรียนเรื่องของความรักสิบมิติกันนะอัตมาก็จะเอาหนังสือเรื่องความรักสิบมิตินี่มาอ่านไปด้วยรู้สึกว่าอัตมาจะบรรยายไปเองกับอ่านไปตามหนังสือนี่ดูตามหนังสือจะดีกว่าอัตมาพูดเองนะอัตมาพูดบรรยายไปเนี่ยรู้สึกว่าไปไกลเหลือเกิน แล้วพูดไปพูดไปมันเกิดไปเดียวเดียวแวเขาไปหานิพันนย์ยังไม่ทลายเลยเลยมันเริ่มไม่เป็นมิติที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ททีทนะมันก็เลยเอ๊มันเคยเข้าทีมันไม่เป็นขั้นเป็นตอนนะเอาเป็นขั้ น, ข, นขั้นไปกันละกันน่เอากริ่นก่อนกันละกันนะจากหนังสือสองฉบับนะความรักสิมมิติสองฉบับนี่มัน คนละอย่างเลยคนละอย่างตรงที่ว่ามันคนละจำนวนแต่เนื้อหาเดียวกันถ้าว่าจำนวนมันเขียนเอาจำนวนมันเขียนต่างกันจำนวนอันหนึ่งก็อธิบายไปก่อนตั้งแต่เล่มแรกบรรยายไปแล้วก็มารวบรวมเป็นหนังสือไปส่วนอีกจำนวนหนึ่งตั้งใจเขียนโดยเขียนใหม่เลยนะไม่เนีมัเกี่ยวข้องกับ เ, เ, เ, เล่มเก่าที่อยู่แล้ว เอาความเข้าใจความรู้ของตนเอง เ, อเขียนไปเลยมันก็เลยสำนวนคนละเรื่องเลยคนละอย่างเหมือนจะอ่านหนังสือสองเล่มจะชื่อเดียวกันชื่อของข้าสิมิติเหมือนกันไล่กันไปเหมือนสองคนเขียนแต่เนื้อหามันตรงกันในเริ่มต้นตั้งแต่ครั้งแรกอัตมาบรรยายนั้นปศ .2517 ปศ .2517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 พกคุณก็คงจะนึกรู้กันอย่างที่อาตมาได้กล่าวแล้วแต่ว่าเราจะรู้กันขนาดไหนก็ลองฟังดูคุณได้จำกัดคำนิยามของว่าความรักของคุณไว้อย่างไรเข้าใจว่ามันมีความหมายอย่างไรและคุณจริงจังกับมันแค่ไหน หรือว่าทำให้มันเกิดกับตัวคุณขนาดไหนก็ลองฟังดูนะนี่เกิดมาตั้งแต่ตอนโน้นเลยนะคำว่าความรักหมายความว่าความทุกข์ขึ้นตนอย่างนี้เลยใส่เปียงเลยคำว่าความรักเนี่ยหมายความว่าความทุกข์คนทั้งโลกฟังแล้วก็บอกถ้าเขา ศึกษาทางธรรมมาคนเขาจะบอกว่าเออพอพอพอจะพอจะเข้าใจขึ้นเพราะเขาได้ยินแน่ได้ยินคำสอนพระเจ้ามาแต่พอบอกว่าความรักหมายความว่าความทุกข์คนทั่วไปก็บอกก็มีความรักกัน่าทุกที่ไหนมันสุขจะตายแม่พูดเป็นเล่นไปเขาสแสวงหากันนั้นนะความรักอ่ะอ่า อตาตมาก็พอพูดอย่างนี้แล้ ว, วความรักหมายความว่าความทุกเนี่ยอตาตมาไม่ได้กล่าวเองพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้ความรักคือความทุกขเนี่ยที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกขพระพุทธเจ้าท่านตรัสท่างกล่าวไม่ใช่อตามาพูดหลายคนก็คงได้ยินมาก่อนแล้วไม่ใช่ว่าอตาตมาจะแกล้งกล่าว แต่ตมาก็ เ, เข้าใจจริงๆเลว่าความรักเป็นความทุกข์เพราะว่าความรักนั่นมันเป็นความเกิดความรักเป็นความเกิดนคือชาติชาติเนี่ยภาษาบาลีว่าชาติเป็นความเกิดชนิดหนึ่งถ้าความรักนี้เกิดในใจของผู้ใด่คือผู้นั้นกำลังมีทุกข์อยู่ ความรักเกิดในใจของผู้ใดผู้นั้นกำลังมีทุกข์อยู่ชาติปิดทุกคาชาติแม้ว่าใดๆทุกข์ทั้งนั้นทำไมถึงทุกข์เพราะว่าความรักมันเป็นของปลอ ม, เ ป, อปลอมเป็นของที่ไม่มีจริงความรักนีเป็นของปลอมเป็นของที่ไม่มีจริงเป็นความหลงเป็นความโง่ โอ้โหเอาหนักเอาหนักน่ะเป็นความหลงเป็นความโง่หรืออวิชชาของผู้ที่หลงว่ามีมันจึงต้องทุกข์เพราะสิ่งที่ไม่จริงนั้นนะ่ะทีนี้ถ้าผูดด้ใดจะยอมทนทุกข์เพราะความรักน่ะตอนนี้ขยายความถ้าผูดด้ใดจะยอมทนทุกข์เพราะความรักก็ต้องรู้ให้รู้ว่า เมื่อมันทุกข์แล้วเรายอมให้ความรักนั่นอยู่ในใจแล้วก็ควรจะมีความรักหรือความทุกข์ที่เป็นประโยชน์ก็มันจะมีแล้วก็ให้มันเป็นประโยชน์มันทุกข์แต่มันเป็นประโยชน์ก็ยังดีแต่ถ้ามันทุกข์แล้วไร้ค่าไร้ประโยชน์ด้วยก็จงเลิกมันเสียจงหยุดมันเสียอย่ามีเลย ไปทนทุกข์เพราะมันทำไมกั น, นความรักที่ไม่เป็นประโยชน์เลยเป็นความรักที่เลวที่สุดมีค่าต่าที่สุดก็คือความรักชนิดที่พอกพูนได้สั่งสมความเห็นแก่ตัวความรักที่เห็นแก่ตัวพอกพูนความเหแ้แก่ตัวให้มากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้น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 ยากที่จะเข้าใจเพราะเกิดที่ใจใครแล้วมันเป็นกิเลสะวิชาที่มันเกิดในคนมีกิเลสนั่นจริงเขาก็บอกว่ามันก็ต้องมีก็เห็นอยู่คนทั้งนั้นทั้งนั้นมันก็มีความรักนั้นนะ่ะถึงเวลาวาระมันก็มีไ อ, อตอนไม่มีก็ไม่มีไอตอน ม, มันมีจริงๆงอ่ามันมีอ่าจริงๆแล้วมันเห็นง่ายว่ามันมี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 คำโกหกเนี่ยมันไม่ใช่ของจริงมันไม่มันมันไม่นอัตมาว่ายกตัวอย่างอันนี้เนี่ยมันชัดมากแล้วนะมันเหมือนกันนะความรักก็เหมือนกันน่ะมันมีจริงในคนโง่นะในคนหลงแต่ว่ามันไม่จริงมันไม่จริงมันไม่อยู่ในอารมณ์มนุษย์มนยนจิตทาวรจนกรทั่งเที่ยงแท้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 <laughs> อ่าวต่อ <laughs> คือที่พูดไปนี่ก็พูดไปให้ความให้ความให้ความรู้แล้วก็ให้สกิดใจและก็ให้ไปปรงแม้จะเป็นเด็กหนุ่มสาวมันก็อย่างนั้นมันก็เกิดอารมณ์พวกนี้เพราะมันเป็นกินเลสธรรมดาที่มันมีในมนุษย์โลกมาแล้วเป็นอวิชชาที่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 มันก็ไม่หลงอะไรแต่ายจริงๆเลยแต่คนก็เชื่อยากเชื่อยากแม่ธรรมจะยกตัวอย่างเหมือนกับคำโกหกนี่แหละมันมีจริงๆเหมือนคุณรู้สึกความรักมันมีจริงคนมันมีทั่วไปดืนอดารเลยแต่มันเป็นเรื่องไม่จริงเหมือนคาโกหกเนี่ยมันพอเข้าใจเลยนะคำโกหกมันเรื่องไม่จริงเข้าใจเข้าใจเลยนะความรักมันก็ไม่จริงเหมือนคาโกหกกัแหละแต่มันก็ยัง ง ง, งงอยู่พอเกิดกับตัวเองนละ้เก็เองแนละ้วมันได้ยังไงนะเอามิตทิที่หนึ่ง <c oughs> เพศสัมพันธ์หรือความรักระหว่างเพศนะขึ้นต้นอย่างนี้เลยนะตมาเทศตั้งแต่ตอนแรกเลยเนี่ยนะความรักเพศสัมพันธ์หรือความรักระหว่างเพศตรงๆเลยนะ ไม่ว่าจะถึงไม่ว่าจะหมายถึงเพศตรงกันข้ามหรือว่าวิถีฐานความรักแบบวิถีฐานจนเป็นเพศเดียวกันอันมีจุดหมายไปในทางกามอารมณ์เป็นหลักใหญ่เพศเดียวกันหรือเพศตรงข้ามกันก็ช่างมีอาการอารมณ์แบบนี้เป็นความรักขั้นเลวที่สุดระดับที่หนึ่ง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 มีนำซ้ำยังนึกว่าตัวเองได้กำไรซะด้วยนั่นน่า <c oughs> ขาดทุนที่สุดไมพอมีนำซ้ำยังนึกว่าตัวเองได้กำไรซินั่นคือความขาดทุนที่มุนรอบเชิงซ้อนเข้าไปอีกขาดทุนสองเด่งหขาดทุนยกกำลังนคนที่มีความรักแบบนี้นึกว่าตัวเองได้สิ่งหนึ่งสิ่งนั้นแหละพระพุทธเจา้าท่านเรียกว่า อลิกะอลิกะภาษาบาลีอลิกะแปลว่าความหล่อและความเท็จหรือความตอแหละอะลิกะตัวนี้มาต่อหางคำว่าสุขเขาเรียกว่าสุขัลิกะเติมเข้าไปให้เต็มยศของคำว่าความรัฐที่สุดท้ายก็จะลงเออได้กล้า ม, มารมก็คือ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 <c oughs> แต่เราก็เป็นหลงไหลนะเปหลงไหลว่ามันว่าแมมั น, ม, นมันเป็นสุขก็ดีมันชอบใจชื่นใจมันหลงไหลเพ้อพงอยู่กับมันนะั่นะนะที่ไปทาที่เป็นยังไงก็เพราะว่าอาวิชชาอ่เพราะความไม่เข้าใจถึงแก่นแท้ยังไม่เกิดอภิปัญญานะยังไม่เกิดอภิปัญญา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 ที่มันเป็นความรักที่ขาดทุนที่สุดไร้ค่าที่สุดก็เพราะเหตุว่ากว่าจะรักกันได้นั่นนะต้องจับจ่ายทั้งวัตถุทรัพย์สินเงินทองแรงกายแรงสมองอ่ารวมทั้งเวลาที่ต้องสูญเสียไปอ่าลองนึกดูเองว่าจะต้องจับจ่ายอย่างไรผู้หญิงก็ตามผู้ชายก็ตามผู้หญิงก็เริ่มต้นตั้งแต่ ต้องซื้อเสื้อผ้าเครื่องแต่งตัวถ้าบอกว่าจะเจอกับคู่รักที่เริ่มจะรักกันใหม่ๆแล้วล่ะก็เอ้ยอย่าบอกใครเชียวะจะต้องพี่เลิศพี่ไลจะต้องประดับประดาตกแต่งให้เพลิดพรินที่สุดนึกถึงธรรมชาติสัตว์เดรัจฉานเนาะเวลาเวนจะติดสัตว์เวลาติดสัตว์โอ้โหมันจะ แสดงตัวพลิ้งพลายดีดิ้นโน้เห็นไหมเห็นเวลานกนกหลายประเภทเวลามันจะนทำเป็นกระดุง้งกระดิ่งมันกำเป็นพองขนมันเป็นโอสีเสอือมันก็ขึ้นเลยนะสีสันอัตมาเคยเลี้ยงนกฟินช์นกฟินช์หลายชนิดพอถึงฤดูฤดูการที่ฤดูเท่านั้นนะฤดูการที่มันจะผสมพันธุ์มันก็จะ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 ตัวตนไปจนทั้งข น, ขนขนอะไรพองอะไรด้วยสีก็ขึ้นจริงๆนกยูงไม่ขึ้นสีเท่าไหร่นะนกยูง แ, แพ่แพแต่ว่านกหลายชนิด ม, นมันมีสีเลยแต่เวลาจบไปมันมีอะไรของมันมันมีเคมีธาตุอะไรของมันมันทำให้เป็นอย่างนั้นจริงๆน ะ, ๆะคนก็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 จะต้องสอดส่องดูแลพยายามทำให้ต้องใจต้องตาต้องอารมณ์ต้องกลิ่นต้องจมูกต้องลิ้นต้องกายอะไรก็ไม่รู้แหละลงทุนในสมบัติไปเลยไหนจะเสื้อแพงของแพงอะไรจะต่อมีอะไรก็ต้องแพงๆก็จะต้องพยายามขนขวายหาซื้อมาให้ได้ ทีนี้ก็ต้องลงทุนจับใจทั้งทุนทรัพย์และเวลาที่ต้องเป็นเดินเซิฟช้อปปิง้งหาซื้อเข้าของต่างๆเหล่านั้นมาประดับตกแต่งหลอกต่อน่ะหลอกล่อ ก, กันอวดโชมกันเลยเชียวพยายามทุกวิธีทางเพราะว่าต้องการจะให้สำเร็จผลจะต้องรักกันให้ได้วงั้นเถอะฝ่ายทางด้านพจาอจะบคุณก็เหมือนกันจะต้องจับายต่างๆนานาหาไอโนนไอนีไปประเคนให้เป็นของขวัญ ดอกไม้จ้ะน้ำหอมจ้าประาญาใหญ่อะไรก็ไม่รู้ละจะต้องซื้อหามากำนันกันต่างๆนานายิ่งประเภทเจ้าบุญทุ่มก็ยิงแล้วเลยต้องพยายามทุ่มเทให้ได้มากที่สุดให้คุณเธอนี่เห็นว่าพึ่งพาอาศัยได้ยิ่งแสดงความมั่งมีรำ่ำรวยหรือว่าแสดงความเป็นหลักเป็นฐานทำนองว่า ทามาอยู่กับพี่แล้วเราปรองน้องจะไม่อดตายแสดงเข้าไปเลยไม่รวยก็จะต้องแสดงว่ารวยไม่ใหญ่ก็ต้องแสดงว่าทำเป็นใหญ่หรือว่าถ้าหากว่าจนก็ต้องแสดงว่าตนมีความสามารถถึงอย่างไรก็ปกป้องเธอได้จะเลี้ยงเธอร อ, รอดทามาอยู่กับพี่ หรือว่ามุมกลับแห่งจิตวิยาใดก็แล้วแต่จะพึงใช้ก็จะลงทุนสุดใจไม่เก่งก็จาต้องทำตนให้เก่งที่สุดต้องแสดงให้คุณเธอเห็นเต็มที่ว่าหากมาตกร่องป้องชิ้นเกิดความรักกับพี่แล้วเธอจะต้องได้กำไรสุดช่วงตัวทีเดียวลงทุนกันเข้าไปแสดงสุดฤทธิ์สุดเดช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 เลยไม่รู้ว่าจะเป็นนักครบหรือว่าจะเป็นนักล่าความรักไม่ไม่รู้เหมือนกันไอ้ทรงผมนะ่ะไว้ใจไม่ได้เลยเดี๋ยวนี้เพราะผู้ชายหมดสปิริตเสแล้วการไว้ผมยาวนะั้นเป็นเรื่องของสปิริตของผู้ชายที่จะต่อให้ผู้หญิงเพราะว่าผู้หญิงเนี่เป็นเพศที่ไม่สวยโดยธรรมชาติฟังความนี้ดูนะผู้หญิงเนี่เป็นเพศที่ไม่สวยโดยธรรมชาติเพราะ สัตว์เพศผู้ต้องสวยกว่าสัตว์เพศเมียและผู้ชายก็เลยต่อให้หน้าต่อต่อให้ผู้หญิงว่าเออเอาให้คุณเธอไว้ผมผมยาวไปเลยให้เม็นเหมือนสิงโตตัวผูงงามๆหน่อยส่วนผู้ชายก็ตัดผมสั้นเสี้ยก็ได้นี่ก็เป็นสัปริตของผู้ชายมีมาแต่ดั้งเดิมเป็นสปริตของเพศผู้ที่มีสปริตจริงๆ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 เขาก็มีกล้ามเนื้อสีสันสัตว์ส่วนแยะดูสิโตตัวผู้หรือว่าไก่หรือว่าประกัดหรือว่าอะไรก็ได้สัตว์ชนิดไหนก็ตามแต่จะเห็นว่าสัตว์เพศผู้นั้นกล้ามเนื้อแยะสีสวยขนงามดาคลับหรือสีสันของสัตว์บางชนิดก็มีหลากสีนี่เป็นเรื่องของธรรมชาติหรือว่าธรรมดาที่มีมาแต่ไหนแต่ไร เพราะฉะนั้นผู้หญิงก็จะต้องแก้ปมด้อยเอาทั้งเขียนทั้งทาทั้งพอกอะไรกันก็ไปเถิดนะเยอะแยะอย่างกับที่เป็นที่เห็นอยู่อย่างในโลกที่มีอยู่นี่แหละผู้ชายนะ่ยไดดั้งเดิมนะ่ต่อให้ผู้หญิงแล้วโดยสปิริตบอกว่าเอาอนุโลมตกลงเราไม่ข่มหมูมากเกินไปละ่ะหนวดเขาก็โกนเสีย ทาไอโกนมันก็จะยิ่งเพิ่มความสง่าเยอะเพราะฉะนั้นหนวดเขาก็โกนผมเ้าก็ตัดเสียต่อให้ผู้หญิงแต่เดี๋ยวนี้แม้ม่ผู้ชายก็แย่ลงหมดสปริตเลยไว้ผมยาวเหมือนผู้หญิงแล้วแถมไปแย่งเ อ, เอาการแต่งตัวมันผู้หญิงเข้ามาด้วยเลยไม่รู้ว่าจะทำยังไงกับผู้ชายอ่า ตั้มาเองก็แม่ถ้าเผื่อว่าจะเป็นเป็นการขายหน้าขายตาแทนมันก็ขายหน้าแท น, แทนจริงๆเหมือนกันในความเป็นผู้ชายเพราะว่าผู้ชายลดสปิริตเสร็จแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงนี่นอกเรื่องไปนิดหนึ่งอ่าแถมเผื่อเป็นประโยชน์อ่ะมาว่ากันต่อความรักชนิดที่เรียกว่าความรักสหรับเมถุนอ่าเมุนหรือกามเนี่ย มันไรค่าเพราะมันต้องลงทุนมากมายจ่ายไปเถอะตั้งแต่วัตถุเงินทองจนกระทั่งกำลังปัญญากำลังความคิดคิดว่าจะทำอย่างไรเนอจะให้เขาโถมความรักมาให้ฉันสุดยอดสุดชีวิตแทนที่จะคิดถึงงานในหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบตามฐานะของตอนก็ที่กำลังทำอยู่ก็ไม่ละคิดแต่ว่าจะทาวิธีไหนให้เขารักมากกว่านี้ วัตถุเงินทองมีเท่าไรก็ใช้อย่างสิ้นเปลืองโดยโดยช่เหตุแรงกายมีเท่าไรก็พลานประไปสิ้นเปลืองไปอย่างไร้ค่าโดยการเตดมาการเตะการเที่ยวเทีเ่ยวเที่ยวไปหาเธอเธอามาหาฉันนะมันมีการสัมษณส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 มันจะต้องให้กันคือมันก็มันจะต้องมาจุ๊จี้ชุกจิงจ้องอยู่คู่กันนู่นนี่เป็นความรักอ่ะทําอื่นไม่ได้ทํางานทําการทำอะไรไม่ได้พอมันลดประมาณหนึ่งก็บอกเงาละเลิกกันไม่ใช่คู่รักแล้วรักกันไม่ได้แล้วเพรามันมันไม่มันรักกันมันต้องจุกจริงจิจีมันต้องอยู่ใกล้กันมันต้องมีเวลาให้กันเต็มๆอยู่ด้วยกันตลอดเวลาเขาจะสัมภาษณ์เสมอ ได้ยินไหมอมันต่างคนต่างงานหนักมันมันไม่เวลาให้กันเลยก็อยู่กันอย่างเพื่อนดีกว่านนะอ่างเงี้นะอที่จริงก็ดีเหมือนกันเนาะเวลาที่มีอยู่แทนที่จะเอามาสร้างผลผลิตอะไรก็หม่แล้วกลับพลานเวลาให้เปลืองเปล่าไปกับการลงทุนเพื่อความรักอย่างนี้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 เพื่อที่จะอาศัยพวกนี้มาสื่อสาระเนี่ยนังละครเนี่ยคนเขียนก็ตึงอย่างนั้นนั่นักเขียนทุกคนเพราะนักเขียนบางคนนี่ไม่เข้าใจสาระเลยแต่งเรื่องแต่งให้มันยำฉาในเรื่องความรักความชังพยาบาทแก้แค้นนาขาตไปทั้งไอเรื่องนิยายของเขาไม่มีสาระแลอไม่มีแกนของแกนที่เขาต้องการสื่ออะไรในเรื่องของเขาในนิยายของเขา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 อย่างผู้ชนะสิบทิศเนี่ยไม่ใช่วัรณกรรมเลยขออภัยเนี่คุณยาของก็ตายไปนานแล้วแล้วชอบชมชอบกันอย่างความหลงไยผิดไม่มีสาระอะไรเลยไม่มีสาระแล้วก็กลงเป็นวัฒนกรรมคือเข้าใจไม่ได้ว่าศิลปะคืออะไรมันกลบเกลื่อนมลมินเรื่องของความรักความใคร่ความ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 ชวนเป็นคนเราไม่มีกิเลสไงก็เอาพวกนี้มันนาไปหน่อยแต่คนที่สร้างงานศิลป์นี่ไม่รู้เลยกลับนึกวา่าคนมันได้อร่อยเพราะรสชาติพวกนี้โรยโปรหลงเนี่ยรสชาติถึงที่เท่าไหร่นั่นล่ะคือฉันมีฝีมือในการสร้างงานศิลป์ความจริงหรือฉันมีฝีมือในการสร้างงานลามก ศิลปะในอนตาตมาแบ่งเป็นห้าคัน <c oughs> หนึ่งลามกสองราคะ <c oughs> สามสาระสี่ธรรมะ <c oughs> ห้าโลกุตระห้าคันห้าอย่างเนี่ย <c oughs> เพราะฉะนั้นลาม ก, กราคะเนี่ยเขาเาเรื่องอารมณ์เขาเอาเรื่องของรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเอาเรื่องของความรักความใคร่ความโกรธความห ล, ลงมาใส่เข้าไปหมดเลยก็เลยเป็นราโมคันที่หนึ่งเรียกว่าล ะ, ะยั้มฉาส่วนราคาก็รู้สึกว่าดีหน่อยดีขึ้นมาหน่อยแต่ก็ไม่ใช่ศิลปะพวกนี้เรื่องราโมกอนาจารยทั้งนั้นระดับราคาเนี่แหละ เยอะในตลาดราคาแทบทั้งนั้นราคาขายได้ขายดีเพราะคนไม่รู้ไม่รู้ทันอวิชชาไม่รู้ว่าศิลปะคืออะไรมีแต่เอาไปบำเอรออารมณ์สามขัน้นสามขั้นสาระสาระเนี่ยาพูรู้จักศิลปะก็ต้องสาระที่มีสุนทรียะมีสาระสินมีสุนทรียสินประกอบกันนะครับเป็นงานศิลปะถ้ามีแต่สาระมันไม่มีสุนทรียศินเลย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 ถ้าได้สาระมากก็งานดีมากแต่สุนทรียสินก็ทำให้คนชวนคนมาดูแล้วก็ได้สาระจริงๆและเกิดประโยชน์คนค่าสร้างสรรค์มันก็เป็นศิลปะเป็นมงคลอันอุดมเป็นค่าสึกแก่คุศลก็คือมันเติมกิเลสนั่นแหละถ้าสัมผัสงานศิลป์บริโภคงานศิลป์ น, นี่แล้วมีแต่เสริมกิเลสมันไม่ใช่งานศิลป์ไเป็นค่าสึกก่กุศล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 ไปติดเอกลักษณ์ไปติดอัตลักษณ์ของผู้ทำงานสินนั้นเออเขามีแปลกดีเขามีชี้ชวนดีชอบใจชื่นใจก็จบจะชอบฝีมือชอบลีลาชอบอะไรก็แล้วแต่เขาก็ขายสิ่งนั้นเลย <c oughs> คนหลงไปทั้งโลกไม่รู้ศิลปะคืออะไรนักเข้าติดตัวตนขอเป็นงานคนนี้เถอะ <c oughs> ที่มูลากี่มาแห้งซื้อหมดนี่คือติดตัวตนใช่ของประจําตัวยมาริศยา มันเป็นสิ่งที่จะประจําตัวไม่ปกติมันไม่สมดุลกสรีระร่างกายเนี่ย <Yeah. S 1> <c oughs> มันเป็นวิบากใน <c oughs> ของเราอัตมาวิจารณ์ทั้งเรื่องของโลกข้อเหตุปัจจัยที่สร้างสิ่งที่ยุติติดพวกเนี้มันกลายเป็นอบายามุกมันมันจะบอกว่าเป็นกามก็เรื่องของกามเพราะเรื่องของรูปเพราะกินเสียงสัมผัส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 แต่คนเรามันไม่ค่อยเข้าใจ ith. สิ่งที่มันเกี่ยวกับเรื่องของโลกโกรธลงนี่แหละแล้วก็เอามาเหาะมาผสมมาแถมมาอะไรอะไรเข้าไปนรูปเสียงกลิ่นรสอะไรต่างๆนันาก็แล้วแต่เขาก็เอามาผสมผสานได้ทั้งนั้นเนี่ยมันมันศิลปะมันละเอียดลึกซึ้งนคนไม่ค่อยจะเข้าใจนะ อ้าล้อาตมาแหวะที่พูดนี่มันก็อยู่ในเรื่องของกามมันไม่ไปเป็นเรื่องของแค่ว่าไปเสพในเรื่องของบุคคลสัมผัสเสศษสีตบุคคลมันสัมผัสอื่นๆด้วยจนกลายเป็นเครื่องปรุงแต่งที่เรียกว่าศิลปะเรียกว่างานอะไรทั้งโลกเลอะทอะอ่ายำชาเป็นอบายมุกยิ่งใหญ่มากเลยอ่เอาต่อ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 มันสิ้นปัญญากระดอกปานนี่จนไม่รู้ว่าความจริงคืออะไระแม้ความชั่วความเลวอย่างไรก็ทำได้ชี้อะไรก็เป็นอนุปาตามกันไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างยิ่งมีความรักปักดิ่งยิ่งจะมีความโง่ดิ่งปักลงไปลึกหนัก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 นาต้องใส่ปี๊บมาให้อัตมาดูหน่อยสิไอ้่าสุกที่ว่ามันมันนักนักนักนักอะอไม่มีปี๊บใส่กระป๋องมาก็ได้ใส่ขวดมาก็ได้เอ้าไหนอะเอามาดูดิไอ้ับำนวนนี้อัตมาก็พูดมาไม่รู้เท่าไรอ่อะไรนะ คนละเล่มคนละเล่มไงอา่าคนละเวอร์ชันนี่เล่มนี้ก็อีกเล่มนึงไงอ่อก็บอกแล้วคนละคนละเล่มนี่เล่มเก่าเล่มก่อนไม่ได้เอามามากเลมนี้เอามาน้อยมีใครได้บ้างใครได้บ้างเล่มนี้มีใครได้บ้า ง, ไ, งไม่มีเลยเหรอ อ, อ๋อได้เล่มนี้เหรอก็ดีแล้ว เร่มนี้ไม่มีก็ดีแล้วไงว่าคุณเริ่มแล้วคุณอ่านเองดีจะยากอะไรล่ะใช่ไหมอ่ก็อ่านเองนี่อัตว่าอ่านเลื่มนี้อธิบายไปก็นเนื้อเดียวกันนะแต่ว่ามันอธิบายแบบนี้ก็ดีแล้วไงน้าอ่าดีแล้วล่ะน้าแล้วก็ไปอ่านเล่มนี้เองน้าใครอ่านไม่เป็นก็ให้คนอื่นอ่านให้ฟังนักศึกษาเรามีอ่านไม่เป็นด้วยอ่า เพราะการลงทุนที่เรื่องความรักโดยเฉพาะเรื่องเมธุนนี่ถ้าใครเจอมากับตัวเองจริ ง, รงๆแล้วจะรู้เลยว่าลงทุนหนักไม่เสด็จลมเสด็จได้เลยเท่าไร่เท่ากันนะลงทุนขนาดมหาสารหวังผลอย่างเดียวคือสุขลิกะนี่แหละอันเป็นสุขลอยลมอยู่ฟากฟ้าไหนก็ไม่รู้ล่ะได้ไปแล้วก็เอาไปเป็นประโยชน์อะไรให้แกโลกบงังเราว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 ลงทุนหนักแต่เขาเท่านั้นนะมันจึงเป็นความเห็นแก่ตัวที่โอโหเป็นความเลวที่สุดในโลกเพราะว่าความเลวในโลกนี้นคือความเห็นแก่ตัวส่วนความดีคือความเสียสละเหื่อเฟือเผื่อแผ่ช่วยเหลือเกือ้อกูลกันและกันเพราะเรื่องความรักเมถุนิเพศสัมพันธ์ของคู่มันไม่มีประโยชน์อะไรให้แก่ใครเลย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 คุณจําเป็นแต่ถ้าคุณเกิดความรักเนี่ยมันนะเยอะเลยมากมายเดี๋ยวนี้ยิ่งทางตะวันตกเนี่ยถ้าความรักเนี่ยมันไม่มีแล้วมันหยากนทั้งๆที่มันช่วยกันทำงานทำหากินดีนะแล้วมันก็แบ่งทรัพย์กันไปเลยทะเลาะกันไปเลยเรื่องทรัพย์แยกกันไปนี่คือเรื่องเพศสัมพันธ์ฟังให้ชัดๆนะนี่ยังไปจัดไ มารักกันแล้วมาไปแต่งงานกันแล้วมาคู่กันแล้วนึกว่าเราจะมาช่วยกันสร้างมาช่วยกันทำอาหารกินมาช่วยกันเพื่อจะอะไรจะอะไรถ้าไม่มีลูกนะพวกนี้เนี่ยไม่ไม่จะครอบครัวหรอกดีไม่ดีดก็แบ่งกันคนละกระเป๋าแล้วก็ความรักจางเมื่อไรเลิกกันจริงถ้ายังไม่มีลูกเนี่ยชัดเจนเลย นะแต่มันมีแนวลึกเหมือนกันแนวลึกของความรักของคนสองคนเนี่ยนะแม่ไม่มีลูกแต่มันมีคุณธรรมมีคุณธรรมเรื่องนี้ก็ก็มีบ้างแต่ถ้าเผื่อว่ามันเป็นคนมีคุณธรรมแล้วเขาไม่เป็นหนักเรื่องนี้เขาหนักวันร่วมกันที่เพื่อสร้างคุณธรรมให้แกสังคมไม่เพื่อลูก แต่ก็เพื่อ ผ, ผู้อื่นผู้อื่นผู้อื่นไปอันนี้เป็นมิติที่สูงที่อาตมาพูดทิ้งไว้ก่อนประดีจะสับสนวนปนกันบอกว่าเอ้าพูดแต่แง่นั้นแง่นี้จะไม่ได้อยู่ในมิตินี้ความรังนั้นที่พูดถึงว่าถ้กเอาไม่มีลูกเนี่ยมันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งเพราะฉั้นถ้ามีลูกเป็นเครื่องผูก อ, กอีกอีกอันหนึ่งซึ่งในประเด็นที่สองมิติที่สองจะได้อธิบายนะมิติที่สอง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 มันก็ได้ทั่วไปที่ไหนๆก็ได้นะคนสองคนก็นมาช่วยกันสองแรงจะผู้หญิงกับผู้ชายหรือผู้ชายกับผู้ชายผู้หญิงกับผู้หญิงก็ช่างก็สองแรงก็ช่วยกันสร้างสารรค์พิซิสร้างสารรคพประโยชน์หรือจ ะ, จะสร้างสารรพประโยชน์ก็แล้วแต่สร้างสรรพผลผลิตก็แล้วแต่จะเห็นแก่ตัวอยู่ก็ตามคุกก็ยังสร้างอะไรขึ้นมาจะมาไอ้นี่มันไม่ได้สร้างอะไรเดกบอกไหม ไอ้ความนักเมถุนเปีนธรมพันเนมันไม่ได้เพื่อมาสร้างอะไรมันมันมีเคียงอยู่ว่าเออเมื่อมาร่วมกันแล้วมันก็มาท่วมกันสร้างบ้านสร้างเรือนสร้างครอบครัวมันมีองค์ประกอบของการสร้างสรรค์ไงสร้างฐานะสร้างอะไรแต่อะไรมันมีองค์ประกอบแต่อัตมากำลังอธิบายหมายเขาว่าเรื่องของความรักความรักมันไม่ใช่เรื่องปลีกย่อยในเรื่องของการเป็นอยู่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 เ th พราะงั้นผู้ที่มีความรักแบบนี้ไม่ศึกษาดีๆเขาจะนึกไม่ออกเลย ว, ว่าสิ่งเหล่านี้ไร้สาระจริงๆถ้าจะเรียกว่าความเร็วก็ความเร็วหรือความหลงโง่ความหลงควางโงส่สุดๆนะยังมีใครยังมีอยู่ก็เป็นอย่างที่ว่านอามารย์มาจัดให้เห็นว่าความรักมิติที่หนึ่งเป็นความรักที่เร็วที่สุดแย yeah ่ที่สุดคนะือความรักมิติที่หนึ่งนี้ต่ตําที่สุดละความรักมิติต่อไปก็จะมีคุณค่าบางนะ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 เอาเออเอาเอาเธอเอ า, เอ า, เอาช่วกกะเร็วคุณก็ไปเถียงกันเองนะเถียงชั่วกกะเร็วกันเอง <c oughs> เ, อเพราะฉะนั้นผู้ใดจะโลภเอาความรักมาเป็นของฉันคนเดียวนะนะั่นน่ะแล้วก็ลงทุนทุกอย่างจับจ่ายไปหมดเลยเพื่อที่จะได้ความรักม า, าวครอบครองคนเดียวไม่แบ่งให้ใครสร้างความเรวให้แก่ตัวเองแล้วก็ไร้ค่าขาดทุนที่สุดด้วย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 คุณจะไม่เชื่อนะร้อยไม่เชื่อพันไม่เชื่อจริงๆอันะทุกวันนี้ในความเลวที่สุดสําหรับความรักระหว่างเพศนี่ก็คือว่ามันเท็จแก่ตัวที่สุดเท็จแก่ตัวที่สุดจริ ง, รงๆไม่มีที่อื่นไม่มีอื่นเลยนะจะได้สมใจระวังสองคนนั่นแหละจะปั้นอารมณ์ขึ้นมาเรียกว่าสุขแล้วก็ร่วมอารมณ์อันเดียวทํา น, นั้นน่ะไม่มีอื่นเลยพยายามทุกวิธีทางเพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งสิ่งนี้ ใครจะแย่งไม่ได้จริงมันก็แย่งใครไม่ได้อยู่แล้วควาใครของมันมันโง่ใครโง่มันอันนี้มันขงความโง่ส่วนตัวจริงๆมันไปแย่งไม่ได้หรอกอารมณ์ไอเสกไปอารมณ์หลงอันนี้ไม่มีใครแย่งใครหรอกมันเสกจะสัมผัสสองคนเนี่แหละกูจะสัมผัสนอกสัมผัสในกันยังไงก็ช่างคุณอะอ่มันเป็นเรื่องที่โอ้โหสุดๆเลยนะอารมณ์ร่วมมันเดียวไม่มีอื่นพยายามทุกวิธีทางก็จะได้มาสิ่งสี่ที่ใครจะแย่งไม่ได้ ถ้าใครหึง จ, จัดหน่อยใครมาแบ่งเอานิดนึงก็เอาแล้วบางทีก็ขากันแกงกันเห็นแก่ตัวเ็วที่สุดนะ <c oughs> อ้าวขอขอบอกยืนยันสูตรสาหรับวัดคุณค่าของมนุษย์ไว้อีกสักนิดก่อนว่ามนุษย์นะมนุษย์สุดประเสริฐที่สุดและดีที่สุดนั้นวัด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 ก็ฟังมาหูแฉเนาะอย่างนี้เนาะแต่ต้องศึกษาและฝึกให้เป็นจริงๆแล้วมันประเสริฐพวกเรานี่จะว่ากันเป็นจริงๆแล้วเจ้โสกเรานี่มันมีมีคุณธรรมพวกนี้ขึ้นมาจริงๆถ้าไม่เช่นนั้นเราเป็นไปไม่ได้อย่างนี้จริงๆที่เราเป็นได้เนี่ยเพราะมันเป็นสัจจะมันเป็นความจริงที่มันเกิดขึ้นมามันถูกห ล, ล่อหลอมจากสูตรจากความรู้จากได้ฝึกศึกษาศึกษาฝึกฝกมนมาจริงๆมันก็เลยมีแล้วเรามุ่งหมายแล้วเราก็พยายาม ศึกษาฝึกฝนเรื่องนี้มากจนมาลดกิเลสราคะอันนี้ต้องเรียกราคะาไม่เรียกโลโภพลโภพก็เป็นด้วยจำได้ไหมว่าราคะกับโภพมีนัยสำคัญต่างกันอย่างไรโภพเอามาเป็นของตนราคะเสพรสเรื่องกามเรื่องราคะเรื่องเพศที่พูดถึงเมถุนตเนี่ยเรื่องความรักที่ว่านี่เป็นความรักอย่างนี้ทั้งนั้นอ่า มันเสพรถนะเพราะฉะนั้นความรักระหว่างเพศจึงเป็นเรื่องของความเห็นแก่ตัวแคบที่สุดระหว่างบุคคลเป็นสองคนเป็นเพียงกามมนิยมหรือทารกริยานิยมออตกรอนนี่ตั้งชื่อนี้ด้วยเนาะหรือทารกริยานิยมทารกนี่แหละแต่มันไม่มันมันรวมกับคำวกริยานิยม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 บุคคลทั้งสองนี่ซ้ำก็ไปอีกคือได้รับกามนั่นเองเป็นค่าและจะพากันนิยมหรือจะพากันกนําหนดกําหนดเพื่อกําหนัดพากันไปกําหนดตามเห็นก็โอ้โหน่าชื่นใจหน้าศาิลป์ญาหน่าได้อย่างเขาเขาอือัตมายกตัวอย่างให้เห็นอีกอันหนึ่งอย่างตัวอย่างเขาแสดงอาการ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 ทำไมเรม่เท่าเขานะทำไมเมีเท่าเขานะมันยัวย่วยุอย่างนี้ตลอดเวลาพอมันก็ยิ่งแสดงจัดจ้านยี่ขึ้นแสดงความเข้มขน้นบาบาบาบอสหนักข้นไปอีกเนี่ยทุกวันทุกวันเป็นแบบนี้เลยทั่วโลกเลยเนี่ยอวิชชาเรื่องนี้แล้วมันก็นึกว่ามันเยี่ยมนะมันได้แสดงเยี่ยมแสดงคนยิ่งเห็นด้วยยิ่งเอาตามเขาเท่าไรยิ่งผูกพันยิ่งชอบยิ่งยกให้เท่าไร่มันยิ่ง โอ้โห oh. ไอคนแสดงนั่นก็ภาคภูมิใจมากที่ข้าทําให้คนอื่นเขาโง่าตามไม้เขาติดยึดมากมอยากจะได้รถนี้อยากก็เป็นอย่างนี้อยากจะได้อย่างนี้ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไอคนที่ตามเขาได้ก็โอ้โ oh. หนี่ยมชมชื่นแล้วก็ไปแสดงออกอีกทีหนึง่งตัวเองได้ตัวเองอะไรอย่างนี้ไปแสดงออกเพื่อที่ไอคนเขซ้อนซ้อนซอนๆ้อ น, อ น, อนมานิยมชมชื่นตัวเองที่มีอีก แทนที่จะอายกับยิ่งจะโชว์พอทำได้พอๆกับเข้าหรือว่าเก่งกับเข้าอีกโชว์ใหญ่เลยเห็นที่โชโชโชโชเห็นมาความซ้อนความซ้อนนั่งความงงเพราะฉะนั้นโลกจึงเต็มไปด้วยความหลงแบบเนี้ยที่เป็นอวิชามันยิ่งมากมากมากมา ก, มากเข้าไปในซับซ้อนอย์ในสังคม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 แล้วก็ช่วยกันสร้างความหลอกมาให้มันผลานหนักเข้าไปอีกนี่คือความฉจบหายของโลกเห็นความเจ็บหายของโลกอันยิ่งใหญ่ไหมเนี่ยนะเสพรสอัศทะเสพรสโลกีอัศทะนี่แหละอย่างนี้ฟังให้ชัดเทนให้ดีนะ พราะความรักเรื่องการมนิยมเนี่เป็นเรื่องความรักที่ค่าน้อยที่สุดหรือค่าต่ำที่สุดไรค่าที่สุดศูญเสียระสิ้นเปลืองมากที่สุดนอกจากจะเสียเวลาทุนรอนรางการแรงงานในสมองตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้นยังไม่พออาตมาจะขอวิเคราะห์ให้ฟังอย่างลึกซึ้งอีกสักหน่อยตอนนี้จงพยายามตัดความคิดเก่าๆแ ต, แต่คุณเคยยึดถือว่า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 คนทุกคนเคยผ่านอย่างเงี้ยน้อยมากก็แล้วแต่เห็นไหมอวิชชาอาวิชชาเป็นความโง่โง่มันไม่รู้จริงๆเลยมันมจริงๆแล้วคนเราไม่จะเป็นต้องมีสิ่งนี้ก็ได้นะไม่ต้องมีสิ่งนี้อย่างพระพุทธเจ้าพาทำเนี่ยไม่ต้องมี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 เพราะถูกหลอกมานานแสนนานอยู่นั่นเองต้องรู้สัจธรรมให้ได้ต้องมีอภิปัญญาเกิดขึ้นบ้างจึงจะได้ชื่อว่ามนุษย์อาริยะหรืออระยะอริยะอะไรก็แล้วแต่ เ, เขาเรียกกันมาฉะนั้นจงอย่าได้หลงยึดว่าเรื่องนี้ เ, นเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตเป็นเรื่องจี่จะต้องไข ว, ขว่คว้าแสวงหาเอามาให้ได้เป็นอันขาด ถ้าไป็นหลงทำเข้าแล้วจะต้องจับจ่ายมากอย่างที่ว่านี่และจะขาดทุนอย่างนี้แต่ยังไม่จบยังจะขาดทุนอยู่อีกสําหรับผู้ที่ถูกหลอกแล้วและหลงเชื่อหนักกว่านี้ก็คือสุดท้ายก็จะมีลูกมีเรื่องที่จะต้องจับจ่ายเพื่อลูกอีกเท่าไหร่ก็ลองคิดดูก็จะเลี้ยงโตก็จะส่งเสียงให้เราเรียงก็จะสําเร็จอาตมาในได้สถิติใหม่มาใหม่ เขาว่ามีลูกหนึ่งคนจนไปยี่สิบสองปีมีลูกหนึ่งคนจนไปยี่บสองปีสถิติเขาว่ากันนะ mm hmm. ก็ไม่รู้ว่าใครตั้งสถิติเอาไว้นะ่ะพอได้ลูกมาอีกทีหนึ่งขาดทุนไปอีกเท่าไหร่กว่าจะชับจ่ายชจสอยจนพ้นความเป็นทาสลูกคนนี้ฮะฮะมาอะไรปีห้าฮะ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 จริงยิ่งกว่นี้ก็คือผู้ที่เป็นเพียงธาตุเมถุนนิยมเนี่ยหรือกามนิยมเนี่ยมันเป็นธาตุจนงอหัวไม่ขึ้นนั่นแหละจะยากจนยิ่งกว่ายากจนยิ่งกว่าถ้าไปเป็นธาตุสิ่งเหล่านี้นะไปธาตุสิ่งเมถุนหรือไปธาตุเร่องกามเนี่ยจนยิ่งกว่ามีลูก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 แต่ท้งโลกเขาก็บอกว่าโอ้โหหมดกาไม่ตายเกิดมาเป็นคนอยู่เป็นคนทำไมวะไปอีกโอเวนอ่ะก็ถูกสิก็เราพูดอะแต่คนโลกเขาไม่พูดอย่างเงี้ยถ้าไม่มีแล้วเาก็บอกตายตายตายนียย่อยู่ชีวิตไปต า, ตายหมดเลยแต่อยู่ไปทำไมวะนั่นตลกนะไม่ยอมนะ หมอารมณ์กาลไม่ยอมเห็นไหมวทวนกระแสกันกับความเห็นความเข้าใจของพระพุทธเจ้าคนละขั้วเลยไม่แต่ต่างประเทศอาตมาเคยเจอกันว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรให้เรื่องนี้ให้เลิกกันทําไมเรื่องกาลมันเป็นธรรมชาติถ้าเป็นเรื่องนี้หมดได้สอนให้คนเลิกหมดถ้าสูงพันหมดทีโลกอะ่ะออันนี้อาตมา ก, ก็พูดไม่รู้กี่ครั้งซ้าสอนเรื่องนี้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 แม้แต่คลิทเองเนี่ยทิถามัตมะนี่คึกฝรั่งชาวคลิทนะเพราะว่าเขาไม่ได้ชัดเหมือนกับของพุทธนะเขาไม่ชัดเหมือนของพุทธนะเขาไม่ไเน้นไม่ได้อธิบายมากมายมรนพุทธนะแต่ลึกๆเขารู้กันนี่ไม่มีที่ไม่นักบุญนักบุญอะไรขอ ง, ของอเขาเลยเขาเขไม่เขาปฏิบัติธรรมเขาก็ไม่นะชาวคิทก็ตาหรือชึกชาวฮินดูก็เหมือนกั น, นเขา็มา่ทางชาวพุทธนี่ ชัดเจนนะต่างกันกับอันอื่นเขาแล้ก็พิสูจน์ได้ยืนยันได้ด้วยนะ้ยสิบเก้านาิกาี่หนาทีแล้วนะทำไมมันไหวไหวไ ว, ไวแต่เราเริ่มต้นสายนะวันเนี้ยอ้าวอัตมาไม่ได้ว่านะเรื่องจริงอ่ ะ, ะเด็กๆ ก, ก็มาช้า ผู้ใหญ่ก็พลอยช้าเหมือนกั น, น่งกว่าจะมาพอสมควรนะเอา้าอะ่รนี่มันจะทุ่มครึ่งแล้วเลือเวลาไม่กี่เนเท่าไหร่อ่าเลือเวลายังไม่ถึงชั่วโมงสิบเก้านาฬิกายี่สิบหกนาทีน่าสมปรออมาอถนาอะตกลงก็ให้ถาม เด็กก็ได้ผู้ใหญ่ก็ได้จะถามหรือจะวิจารณ์หรือว่าจะสรุปมาอย่างที่เราเคยพูดกันไปก่อนแล้วทงท้ายก็ให้สมนาศิกมามาสรุปอ้าวใครก่อนยกมืออ้าวเอาเลยตอนนี้ชักขึ้นเห็นเงียบมาหลายวันอ้าวอ้าว ขอขอโอกาสครับอขอกราบท่านบิรักษ์แล้วก็นมัส ก, การสมณะศิกามาศแล้วก็ใจเดินธรรมครับญาติธรรมทุกคนครับกระผมยีห้องงามดีมากมคุณสบายมากมนมาเชมาเช็งงามดีมากเลย หมงามงามดีมากครับอ่เมื่อกี้ว่าอะไรงองงาม <S S S งามงามครับไม่ใจวอกงามเขางอกงามไม่ได้ใส่เออเอาเ อ, าเอาตอ่ตอตอ่อต่อครับครับอคือคือเรื่องนี้นะ่ะมันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากห น, งนังสือพ่อท่านครับหนังสือเล่มนี้นะ่ะหนังสือเปลี่ยนชีวิตผมทําไมผมต้องพูดก่อนเพื่อนนะ่ะเพราะว่า ผมผมเนี่ยตัดสินใจเพราะได้เร่มนี้นะคือผมนี่นะเป็นคนที่สนใจธรรมะแล้วหนังสือธรรมะอยู่ที่ไหนก็ผมชอบไปอ่านเพราะผมคือครั้งแรกนี่นะคือผมไปอ่านบทธรรมธรรมในธรรมะตอนอายุสิบเก้าปีนะผมตอนนั้นก็บอกว่าบุตรโตคีเวลูกผูกคอ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 <c oughs> จนสำเร็จกิดน่ะนะแต่หาความสุขไม่ได้ก็เลยซาตริไงบอกว่าโอ้มันหลอกกันจริงๆเลยนะว่าเป็นสุขบุญนั่นเนี่ยครับต่อไปนี่นะแทนที่จะติดใจนะโอ้โหบุญนั่นเนครับผมผมว่าผมก็รู้เยอะน ะ, ะ, นะได้ดีครับทีนี้เป็นเรื่องเรื่องเรื่องที่เรื่องเปลี่ยนแปลงขัง้งสุดท้ายคือเพื่อนผมไงผมลงมาจากโรงแรกปุ๊บหนึ่งผมเรียนอยู่เทคนิคนครธรรมรด์ปวช เพื่อนผมมันเห็นผมหน้าโรงแรมบอดีทีนี้มันก็มาล้อผมในห้องเรียน ต, ตอนนั้นน่ะผมสาต وري หมดแล้วนะเรื่องใดผมหายสงสัยหมดแล้วผมเลยบรนลือสีอานาจไงประกาศตรงนั้นเลยอว่าคนอย่างกูเนี่ยนะจะเป็นโสดตลอดชีวิตเพราะว่าคิดได้แล้วเรื่องคู่เนี่ยนะผมหายสงสัยแล้วแล้วคนอย่างกูเนี่ยจะไม่สมสู่กับผู้หญิงตลอดชีวิตพูดคํานั้นนะ่ะตั้งแต่อายุสิบเก้าอะ ผมว่าโอ้โหเรื่องนี้เรื่องใหญ่มากนะเรื่องเนี้เรื่องใหญ่ความรักสิมิตีเนี่ยทาให้ผมกล้าพูดทุกวันนี้เนี่ยผมก็ยังยิ่งมั่นใจมากขึ้นเรื่อยๆนี่แหละครับผมว่าเรื่องนี้แหละช่วยคนพ้นทุกข์ได้จริ ง, รงสิ่งที่ผมพูดนี่ยนะไม่เชื่อทําดูเลยผมเชื่อมั่นละอ ข, อขอรับควนเวลาแค่นี้นะครับดีมากดีมากครับเสริมหนุนน้ําหนักนะเสริมหนุนน้าหนักดีดีมากใครจะเอาต่ อ, อใครมา ย, มยกมือเลย คนที่สองมันมีเลยนะเอ๊ะทำไมเรื่องนี้มันขะอยากพูดกันเท่าไหร่อา้อาวอา้อาวน้แม่ตาจะยกมือตั้งนานแล้วแล้วไมโครโฟนจะได้ไปถึงมืออา้อาว อ, าอา้ยกที่ยกก่อนยังไม่รู้เป็นใครงไง <c oughs> ข้างหลังใครอีกยกไว้ใครจะยกยกก่อนแล้วก็ไมโครโฟนจะได้เดินทางไปถึงเวลามันจะได้สั้นเข้า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 โอ้ใช้เพลงอธิบายความเลยไม่รักพี่แล้วนี่น้องจะรักใครไม่ว่าพี่จะอยู่ห้นไดติดตามไปไม่คลาดคลาฝ่ายชายก็จะร้องว่าอันนี้เพลงคู่นะคะเห็นนกน้องบอกว่าไม้ พี่กอว่ามาให้ไปตามวาจาเห็นปูน้องบอกว่าปลาพี่กอว่าปลาดังตาดวงใจแม่นมีใดปรารถนาจะส่อจะหาให้พลันทันใด20ปีต่อถูกต้องโอ้ยรู้ทันไม่อยากไม่อยากเลยคนรู้ทันพอ30ปีต่อมานะคะอันนี้เพลงคู่ก็จะร้องว่า เห็นปูน้องบอกว่าปลาผู้ชายก็จะบอกว่าอีนี่มึงบ้าหรือไงวะอจบค่ะพ่อเออเอาดีเอ่อหินเข็บมามั้ยเนี่ยฮะ อา้าใครอีกเมื่อกี้เห็นมีใครยกมืออีกเอ้น้อยคนไม่อยากจะพูดนะเรื่องนี้มันเข้าตัวยังไง <laughs> พูดะถ้มันเข้าตัวหนักไม่ค่อยกล้าพูดไม่ใครอยากจะพูดกันเอาอีกเหรอโอ้โ oh หมันมีโ oh อ้โหอัปเตอร์ช็อกเ้าะอ่าขอให้คุณงามดีมากางามดีง่าย <Okay. S 1> างามดีมากสกาวเาขาดจะอนอ้าวอัปเตอร์ช็อก กับเขาการครับ ข, ขอให้คนงาม<ร>ดีง่ายรอคิวสักนิดนะคะเ อ, เ, อเอาเลยเอาเลยค <c oughs> ่ะพอพระท่านบอกว่าเรื่องนี้คนไม่ค่อยพูดก็จริงจริงอะค่ะเพราะว่าดูเป็นการสอนครั้งที่สองซึ่งครั้งแรกก็ดูเหมือนคนไม่ค่อยจะให้ความร่วมมือสักเท่าไหร่นะคะด <c oughs> ิฉันจะพูดในฐานะที่อายุยาวจะถึง61ปีเลยนะคะ <c oughs> แล้วก็ยังรักษาความเป็นนางสาวอยู่จนทุกวันนี้นะ <c oughs> ก็มีความรู้สึกในเวลานี้ค่ะว่าพอได้มาอ่านไม่เคยอ่านความรักสิมิติของพรอท่านมาก่อนเลยนะคะอแม้เป็นว่าพ่อท่านจะเทศน์โอ้หนังสือเล่มนี้เกิดที่เชียงใหม่นะเนี่ยใช่ค่ะนี่เป็นชนเชียงใหม่โอ้นี่เกิดเชียงใหม่เนี่ยหนังสือเล่มนี้คลอดที่เชียงใหม่แต่ก็ไม่เคยอ่านค่ะชีวิตก็ผ่านมาด้วยความแคล้วคลาดอย่างที่ไม่ต้องได้ต่อสู้อะไรนะคะในเส้นทางที่ต้องมาอยู่ในความรักมิติที่หนึ่งนี้นะคะ แต่ในเวลานี้อืยอมรับเลยนะคะว่าเจอโจทย์เล็กๆค่ะเจอโจทย์เล็กๆเมื่ออายุประมาณเนี้ยนะคะแต่ก็ได้มาทบทวนดูแล้วโอ้โหมาเจอโจทย์ตอนอายุยาวขนาดนี้ถ้าผิดพลาดพลั้งไปนี่เสียหมดเลยนะคะจริงๆจริงจๆิงจริงหมดเลยจริงๆค่ะเสียฟอร์มหมดเลยนะคะแค่สามันสํานึกยังชัดๆอยู่แล้วเสียศักดิ์ศรีจริงๆเลยนะคะใช่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 ที่เด็กก็จะพัฒนาที่จะไปเกี่ยวข้องกับปัญหาตรงนี้มากขึ้นในส่วนตัวของนีดีเขามีความคิดว่าถ้าเป้าหมายของอชาวโส ข, ของเรานะคือผู้เพื่อมวลมนุษยชาติเพื่อนำไปสู่พระพุชนะหิตายะพระพุชนะสุขายะโลกรรมดุกับปายะถ้ายังมาหมกบุ่นอยู่แต่มิ ต, ติข้อนี้นะไม่ไปถึงไหนจริงๆเลยอ้าวพวกเรานี่นะะจริงๆอ้าว น, นีจริงๆคะ่ะก็ขอสนับสนุนสรุป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 มีเสียได้เลยมันก็ดีเพราะงั้นเราจะเห็นได้ว่าความรู้สึกหรือว่าความเข้าใจจะเรียกว่าอะไรมันเป็นปฏิพานปัญญาของสังคมอย่างสังคมองรวมอย่างชาวโซนนีรู้กันทั้งนั้นมาลึกๆ ร, รู้กันทั้งนั้นเด็กก็เข้าใจยิงผู้ใหญ่ก็เข้าใจนะว่าเราอนุโลมให้ศีหน้านะม่ใช่ว่าจะส่งเสริม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 มันไม่ดีมันถึงบอกว่าไม่เอานะซึ่งไม่ใช่เรื่องจะเข้าใจได้ไ ง, ง่ายๆสําหรับความรู้สามัญของโลกนะเพราะเรื่องนี้ของพระเจ้าถึ่งมีเรื่องชัดเจนนะชัดเจนมากแล้วท่านสอนไว้นี่โอ้โหท่านบอกหยาบคายเลยนะท่านพูดถึงเรื่องว่าเรื่องไปหลงแบบนี้หยาบคายอะไรต่างๆนั้นท่านว่าไว้ชัดหมดนะท่านวิจัยวิจารว่าไว้ยังเยอะแยะนะ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 เรามั่รัทธามากครัว่าสิ่งที่เป็นอุดมเป็นสิ่งที่สูงสุดล่ะมันก็ไปได้เลยเมะในสังคมของเราเนี่ยจึงพยายามช่วยกันรักษาทำให้ดีๆนะเราก็ไม่ต้องเท่าขนาดมันจัดจ้านหรือว่าเอาแรงเครียดนะเคร่งเครียดหรือว่าเอาเป็นเอาตายอะไรกันรุนแรงเกินไปมันก็ต้องเข้าใจอนุโลมปฏิโลมคนเราพอเป็นไป อย่างที่เป็นอย่างทุกวันนี้อาตมาว่าใช้ได้นะมีบกพร่องบ้างมีอะไรบ้างเอาเถอะมันก็เป็นธรรมชาติที่สุดวิสัยแล้วก็ค่อยๆเป็นไปนะมีการนั่นแหะเขวิธีการของสังคมลงโทษลงทันงันก็ลงไอ้ที่จะพออ่านุลงพอจะอว่าอะไรกันไปก็ว่ากันไปตามที่เป็นเป็นที่เราตอบกันอยู่เนี่ยเราก็ต้องประเมินต้องใช้สับริธรรมต้องใช้มหาประเทศอะไรต่างๆนานาตามหลักการพระุทธเจ้ามันจะเป็นประโยชน์นะ เอามีใครอีกไหมเมื่อกี้นี้เอ้าเอ้างามอะไรงามดีมากเอ้าออัพเตชอคอีกทีหนึ่งเล่นสองครั้งเลยอบทจะพูดพอเล่นสอ ง, <ข>งอพอเตชอคเลยนะโอกาสลุงงามดีมากก่อนนะคะเอ้าเอ้าเอาก็อาขอการาบโอกาสทุกท่านนะคะดิฉันดาวเย็นค่ะอตอนเข้าไปที่ศีสาะสกใหม่ๆเนี่ยประทับใจต้นไม้ต้นหนึ่งนะคะมันพูดว่า อ, อย่าแต่งงานเลยอ่านี่นะคะแล้วก็จะมีบางต้นเขาก็จะพูดว่าบัณฑิตพึ่งประพฤติตนเป็นคนโสดผู้ฝักไฟในเมถุนย่อมเศร้าหมองนะคะที่เป็นคำตรัสของพระเจ้าเลยค่ะไอ้ทีนี้พอผ่านมานะคะช่วงนี้ที่นก็ก็สรุปได้ว่าการอยู่เป็นโสดให้ได้นั้นเป็นเรื่องยากผู้ที่แต่งงานแล้วะจะไม่ให้มีลูก ก็เป็นเรื่องยากอีกนะคะท <laughs> ีนี้ผู้ที่มีลูกหนึ่งแล้วจะไม่ให้มีลูกคนที่สองก็เป็นเรื่องยากนะะฉะ <laughs> <laughs> นั้นนะะี่เอาความจริงมาพูดทั้งน้ฉะนั้นคนจริงฉะนั้นชาวอโศกที่มีลูกหนึ่งลูกสองและลูกสามแล้วจงอยู่ในหมู่กลุ่มให้ได้เถิดนะคะ <laughs> <laughs> และก็สรรเสริญยกย่องคนที่อยู่เป็นโสดได้เถิดค่ะ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 ส่วนคนหู้ฝากไก่ในเมีถุนย่อมเศร้าหมองผมก็ผมประกาศความเป็นส่วนตั้งอายุสิบเกผมนี่ยนะเป็นบัณฑิ ต, ตอายุ19บเก้ตอนนี้นะอายุห้าสิบสี่สามสิ้าปีแล้วนะแต่แต่ตอนนี้ผมบอกว่าผมใกล้จะประกาศเป็นมหาบัณฑิตแล้ว <laughs> ไม่ใช่พูดเล่นนะผมพูดเล่นไม่ค่อยเป็นนะฟังสำเนียงการพูดก็รู้ไม่เล่น <laughs> ครับคือความรักสิมิติเนี่ยทําไมผมประทับใจมาก เพราะผมเห็นทุกไงความรักคือความทุกข์เพราะความรักนี่แหละคือตัวการไอความเร็วซ้ำเนี่นะไอความโลภความโกรธนี่ะมันก็เกิดจากความรักใช่รักรักลูกก็โลภมากโกรธมากรักลาบก็โลภมากโกรธมากนี่คือความเร็วซ้มของมันแล้วก็มารักเมียอีกรักเมียนี่คือความชั่วร้ายราคานี่คือความชั่วร้าย นั่นแหละคือราคามากก็ชั่วมากโทุษามากก็ร้ายมากแล้วมันก็ทำให้คนทุกข์มากไอความรักนี่เลยคือเป็นต้นเหตุตัวการเลยผมก็เลยเข้าใจมากผมว่าที่พูะเจ้าบอกว่าสามวงนี้ใครสามวงนี้ใครพ้นได้คนนั้นพ้นทุกข์เรื่องจริงแต่ผมก็เชื่อว่าผมจะช่วยคนได้เยอะเพราะคนจะทุกข์เพราะเรื่องนี้เยอะแต่ผมก็ขอบคุณพะท่านนะที่ให้โอกาสผมได้ช่วยคนขอบคุณครับ ที่ไหนๆใ น, นอัตมาว่าที่เขาเรียนกันศึกษากันอัตมาคงไม่มีที่ไหนเขาเรียนอย่างนี้ในขนาดในวงการพุทธศาสนาทั้งหลายเคาไม่มีใครใครจะมาเรียนกันขนาดนี้มือนก็ยังชาวโสดอัตมาวา่านะทั้งๆที่ในวงการของาศาสนาน่ย น, นะในวงการพระสงฆ์เขาเรียนพุทธศาสนาเขาก็ไม่พูดกันที่ขนาดนี้เขาก็ไม่เรียนกันแบบที่เราเรียนกันเลย ที่นี่โอ้โหอาตมาว่าเป็นมหาวิทีอะไรที่ยิ่งใหญ่จริงๆเรียนกันยิ่งใหญ่จริงๆพูดกันอย่างเอาชัดเจนชัดแจ้งเลยอ่าแล้วอาตมาเชื่อว่าหลายผู้หลายคนที่นั่งฟังไปเรื่อยๆถึขณะนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่หมามันมันโดนทุบนะ <laughs> มันโดนทุบอักอักอัอักอ่าเด็กๆก็พลอยได้ยินได้ฟังดีอ่เป็นเรื่องที่ เนี่ยพระบุตรเจ้าท่านว่าเนี่ยนะท่านว่าหยามบแรงเลยเนี่ยโอ้ยสารพัดเนี่ยนะนี่เขาขึ้นหมาให้อ่านนยคํำตรร้าสารพัดนะการมาเลวอย่างนั้นรายอย่างนี้อะไรต่างๆนานาเปรียบเป็นง้นอย่างนี้สารพัดท่านไม่พูดหยาบไม่พูดแรงอแต่ว่ามันมันชัดนะมันแข็งมันชัดมันท่านว่าเดือดงบอย่างนี้นะอะไรนะ อ๋อผู้เห็นอยู่ว่ากามทั้งหลายเปรียบเหมือนด้วยต้นไม้มีผลดกเพราะอัดว่าเป็นของให้กิ่งหักและให้ต้นลม้มนะถ้าผลดกนี่มันจะทําให้กิ่งหักต้นลม้มย่อมเว้นขาดกามโดยการข่มไว้นะวิคัมปันโตฟิกคำพันธุ์โตข่มไว้กามทั้งหลายเปรียบด้วยดาบและมีดเพราะอัดว่าอันนี้บอกถงโทษมันไอ้พูดถึงหยาบหยาบเดี๋โอ้โห ต, ต่างๆนานาท่านว่าหลายข้อข้อก้อนๆ้อนครับ กามทั้งหลายเปรียบไม่ได้หอกหลาวเพราะว่าอาดว่าเป็นของทิ่มแทงย่อมเว้นขาดกรามโดยการข่มไว้กรามทั้งหลายเป็นตัวเป็นเหมือนหัวงูเพราะอัดว่าเป็นของน้าสะพึงกลัวกรามทั้งหลายเปรียบไม่ได้กองไฟอันนี้โท์นั้นทั้งนั้นเลยไอนน้ที่มันฟังละหลามกละมกก็มีนะดังไฟกองใหญ่ให้เราร้อนย่อมเว้นขาดกรามโดยการข่มไว้ไอ้เมื่อกี้ไปอ้ขบนที่ผ่านมาก่อนนะยิ่ง อ่านเหมือนเนื้อติด ก, กระดูกอะไรไอ้กรอนๆนันนาา่นน่ะหยาบกว่านี่นะให้เห็นชัดเอาเถอะน่หมดจะหมดเวลาแล้วเนี่ยอ่าวเหลือเหลือให้อ่าขอโ อ, อกาสค่ะอ้<อ>าว <ขอ S 1> ยังออไม่หมดเลยไอ้เวลาบทจะพูดเราวหาาพูดตอนแรกไม่เคยมาเอ า, ออาเอาเลยขอโอกาสค่ะเอาเลยอ่าได้ยินได้ยินดาวเย็นพูดก็เลยนึกถึงสภาวะตอนนั้นนะคะรู้สึกเสียใจที่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 แล้วมาถึงตอนนี้ก็อยากจะฝากพี่ใบฟ้านะคะ <laughs> <laughs> กร ะ, ะลุนกรุาช่วยกันเป็นโสดด้วยนะคะอยา่าอย่าติ้งดิฉันไปนะคะตอนนี้ดิฉันแก่แล้ว <laughs> <laughs> ยังไงยังไงก็หาไม่ได้อยู่แล้วนะคะ <laughs> ขอบคุณนะคะพี่ใบฟ้า <laughs> เออหมดเตือนสติกันดีอะ โอ้โหยังมีอีกอเนี่ยเอาเอาไม่เป็นไรสมณะไม่ต้องพูดก็ได้สิกขามาไม่ต้องพูดก็ได้เพราะว่ามันเลยเอ้าเอาไมโครโฟนให้แล้วนี่ยกมือนานแล้วน้องโมกอย่าพูดเหรอโอ้โหน้องโมกอย่าพูดบังเอาเลยหรวงกาบหลวงปู่ท่านสมณะสิกขามาทุกองค่ะขอเจริญธรรมผู้ใหญ่พี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกคนค่ะ หนูมีคำถามอยากจะถามหลวงปู่ว่าพระโพธิสัตว์คืออะไรคะเอาแม่ถามคำถามออกนอกเรื่องวันนี้เรื่องความรักสิมิตินะเนี่ยถามว่าพระโพธิสัตว์คืออะไรคะเหรอค่ะเอาแม่เ้าเอ า, เอ า, เอาถามก็ตอบนะพระโพธิสัตว์คืออะไรในเทรวาทเนี่ยไม่เคยเข้าใจไม่รู้จักพระโพธิสัตว์เลย แม้แต่มหายานก็ออกนอกทางนอกเรื่องนอกทิศไปมันเกินไปมันเบ้อไปพระโพธิสัตว์คือสัตว์ที่มีโพนี่ตามภาษาตรงๆก่อนสัตว์ที่มีโพก็คือมนุษย์มนุษย์นี่คือสัตว์มนุษย์โซมนุษย์สัตว์ชั้นสูงสัตว์จิตสูงมีโพคื อ, อได้มีความตัศนรู้โพธินี่คือความตัศนรู้ก็เคย อ, อธิบายฟังแล้วว่าตัศนรู้คืออะไร ดัดสรุ้คือได้ภาคเปลี่ยนปฏิบัติทําได้เกิดความรู้ตามคําตรัสของพระพุทธเจ้าตั้งแต่องค์ไหนมาก็แล้วแต่ท่านตรัสมาสอนมาแล้วผู้ที่ได้มีความรู้นั้นตามคําตรัสอย่างถูกตรงได้ผลอย่างแท้จริงผู้นั้นได้มาแล้วนั่นแหละเป็นผู้ที่มีความรู้ตามคํำสอนพระพุทธเจ้าจริงทีนี้คําสอนพระพุทธเจ้านั้นมันมีอยู่สองประเด็นหลัก เห็นแก่ตัวกับเห็นแก่ผู้อื่นนี่คือสองประเด็นหลักผู้ที่ปฏิบัติธรรมพระพเจ้าแล้วเสร็จเป็นอรหันต์ก็คือผู้ล้างความเห็นแก่ตัวได้เกลี้ยงอรหันต์คือล้างความเห็นแก่ตัวได้เกลี้ยงทีนี้อรหันต์ที่เป็นเทรวาดที่เข้าใจไม่สมบูรณ์ว่าผู้ที่ปฏิบัติธรมรมพระพุทเจ้าอย่างสมาธิครบแล้ว จะได้ประโยชน์สองอันเลยหนึ่งความเห่งแก่ตัวเป็นประโยชน์ตรงที่ว่าหมดความเห่งแก่ตัวเป็นอรหรันต์สองเห็นแก่ผู้อื่นรับใช้ผู้อื่นสองอันครบเลยก้อนสายโพธิสักรุปโ พ, พ, พสายมหายานสายที่เขาจะถือโพธิสัตว์เนี่ยเขาจึงเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นมากจนเลยเถิดแล้วไม่รู้ว่าอารหันต์คืออะไรล่าง กิเลสตนเองไม่เป็นได้แต่ทาประโยชน์ผู้อื่นตะพื้นเลยฝ่ายทางด้านเทรว่าได้จะทําประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นไม่เห็นเลยไม่มีเลยสุดโตม่โครฝ่ายโรงงานโพธิสัตว์จริงๆนั้นคือผู้ได้สองอย่างคําตัดส่วนพระเจ้าได้สองอย่างเอมอุปโตปภยัตถคือได้ทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านประโยชน์ตนคือละกิเลสหมดไม่เห็นแก่ตัวประโยชน์ท่านคือ เห็นแก่ผู้อื่นอย่างเต็มที่เลยเต็มที่รับใช้ประโยชน์ผู้อื่นช่วยโลกานุกรรมปาสรุปพระโพธิสัตว์ก็คือผู้ที่หมดความเห็งก็ตัวแล้วก็ทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นอย่างแท้จริงสันสประโยคเอาสาระแท้แท้ของพระโพธิสัตว์เพราะความเข้าใจผิดสองอย่างนี้สงสายมันเป็นอย่างนั้นจริงๆและยิ่งโพธิสัตว์เนี่ย ไม่รู้เลยว่าการล้างกิเลสตัวเองนี่คือทางใจมีแต่ออกไปนอกเลยกว้างมหมดเลยไปช่วยแต่ผู้อื่นเก่งช่วยผู้อื่นเก่งแต่กิเลสตัวเองไม่เป็นได้ถูข่มไว้เฉยๆอัตมาว่ายังเป็นประโยชน์โลกส่วนเทราวาสนั้นไม่ได้ช่วยใครเลยเห็นแก่ตัวใหา่เต็มที่เลยออกนี้ป่าเขาทำไป ตายในภูเขาตายทัาธรรมตายในเหวตายในอะไรต่างๆน้นนาสารพักไปหมดไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะมันก็คดยาอย่า ง, อ ย, างอย่างมหายานเขายังมีประโยชน์คุณนั้นภูนี้ก็มากน ะ, อะตอบยาวไปนิดหนึ่งเข้าใจไหมตรงบริษัทสรุปได้ยังว่าคืออะไรบางไงไไไอ่าอ่ลองฟังดูสิเนี่ยฟังแล้วนายหลวงปู่อธิบายพอจับสาระได้ไหม <ส>ตัวที่สา์มีมีอยู่สองอย่างก็คือข้อที่หนึ่งก็คือไม่ไม่มีกิเลสแล้วอีกอันนึงก็ให้แต่คนอื่นไม่ไม่ให้ตัวเองไม่เห็นแก่ตัวค่ะเอ อ, อสรุปได้ชัดเจนตอบได้เต็มตอบได้เต็มใช้ได้อ้าวเอาเหลืออยู่อีกประมาณสิบห้านาที อา้าทางนี้จะพูดบ้างอา้าวโหโหสองคนเลยสิครเอา้าเอาเลยสองคนนี่สิบห้านาทีคงหมดเอาเอามาก็ฟน้งไม้หน่อยเลิวนึกว่าเป็นนักบวชล้วจะไม่พูดเรื่องนี้ค่ะ <laughs> พอท่านคะขออนุญาตค่ะเอาอีกมีแถมอีกนอกค่ะ ข, ขออนุญาตค่ะขอย้ำยืนยันนะคะว่า เขดแล้วกลัวแล้วอย่าซ้ำฉันเลยเข็ดแล้วความรักเจ้าเอ๋ยกลัวแล้วความรักเจ้าค่ะค่ะจริงๆค่ะเมื่อตอนเมื่อตอนเขาชอบเราผู้ชายนะคะเขาจะปกป้องดูแลเรานะคะอุ้ยนะคะเป็นห่วงเป็นใหญ่นะคะ เป็นห่วงเป็นใยมากนะคะเดินเดินไปไหนก็แม้แต่ใครมองก็ไม่ให้มองนะคะนิยายนเน่าเขาพิแกตตัวแต่พออยู่มาอยู่มาแล้วกลายเป็นว่าตอนนั้นเราสวยพอต่อมาต่อมาเราขิ้เหร่จะแล้วนะคะ<ต>พอจะเดินไปเดิมนะพอเดินไปไหนก็ไม่เหมือนเดิมแล้วค่ะเขาดันให้เราเดินหน้าแต่เขาจะเดินตามหลังะคะ่ะ ถ้าหมากัดเขาก็ให้กัดเราก่อนนะั่นแหละคะ่ะไล่เราให้<ไ> ه, เดินหน้าเลยค่ะห ม, มามันจะกัด ค, คนข้างหลังนะแล้วก็เวลามันชอบกัดน้องนะธรรมดาเขาจะเดินนําหน้าถ้าหมาจะกัดเขาก็จะไล่แต่ทีหลังต่อต่อมาเขาก็จะให้เราเดินนําหน้า <S <S ถ้าหมากัดเขาก็ให้กัดเราอะคะ่ะผู้ชายก็จะเป็นแบบนี้นะคะ่ะอะเดี๋ยวให้ผู้ชายมั่งได้ว่าผู้หญิงอีกแล้ว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 อ๋ยนะคะเสื้อตัวไหนเขาว่าสวยกับโปรงตัวไหนก็มาสวยใส่ใส่เท่าไหรเท่าไหร่ก็ไม่มีแฟนกับเขาบันเป็นบุญหรือเปล่าไม่รู้นะคะตอนนั้นนะคะอิจฉาก็มากเลยนะคะที่แต่งงานพระพ่อให้แต่งนะคะพอแต่งแล้วพ่อท่านค่ทุกข์มากเลยนะคะมีแต่เรื่องทุกข์ถ้าเอาน้ําตาใส่ปิ๊บคงจะได้สักสองปิ๊บนะคะหนีก็ไม่ให้หนีค่ะ นีไปไหนก็ไม่ให้ไปค่ะเดี๋ยวมันจะเป็นนิยายในระนในโทรศัพท์ก็ขอยืนยันว่าอยู่เป็นโสดนั่นเลยดีค่ะเด็กๆฟังไว้เด็กๆฟังไว้อ้าวเร็วเดี๋ยวหมดเวลาให้สองท่านกลับขอกาเพระท่านท่านสมานเตสิงมาตค่ะเจริญธรรมพุทธทุกคนนะคะ รู้สึกว่าการสรุปธรรมะวันนี้ผู้เรามีสภาะสภาว ะ, ะกันเยอะเนาะ <c oughs> มีชีวิตชีวานะคะ <c oughs> ฟังวันนี้แล้วก็ได้เห็นความเมตตาของพ่ะท่านอนึกถึงความเมตตาของพระเจ้าด้วยนะคะว่าคือนึกถึงคือคําสอนของทั้งสองท่านนี้นะคะพระเจ้าก็จะบอกว่าเรื่องของกามคู่นี่คือเป็นทุตทุนลัง <c oughs> วัสวะธรรมมังขามาธ ร, รมมังแปลก็คือเป็นพฤติกรรมของคนชั้นต่ําเป็นคนถ่อย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 คือเราฟังแล้วแล้วก็เรามีความรู้สึกว่าผู้แรงทั้งคู่ผู้เราว่าแรงไหมคะแรงคือเราฟังโอ้โหแต่มันจะคนละลักษณะนะคือถงของขอ ง, ของพวกครูเรามีความรู้สึกว่ามันมันมันก็เห็นภาพพจนชัดเข้ามันสุดๆอนะคะแล้วก็ส่งพระเจ้านีโอ้โหก็เป็นคมเป็นเรื่องของความชั่วอย่าเป็นคนถอยอย่างเงี้ยเป็นคนชั้นต่ําอย่างเงี้ยแรงทั้งคู่แต่เราก็เข้าใจว่าทั้งสองท่านเนี่ยมีเจตนาอย่างไร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 คือนึกถึงคือเห็นเห็นพ่อตัวเองคือทํางานนอกบ้านก็ทํางานหนักนะคะแต่เป็นแม่ทํางานเรามีความรู้สึกของเรามีความรู้สึกว่าหนักกว่าพ่ออีกคือมันภาระมันมากกว่ากับยัดนอนก็ดึกอะไรเงี้ยนะคะก็เลยแต่ตอนนั้นก็ยังคิดไม่ออกแต่พูดถึงว่าคือก็ก็เห็นทุกตัวแต่ตอนนั้น น, นะคะเราก็ยิ่งเห็นผู้หญิงแต่งตัวแต่งหน้าทาปากแดงๆอันนี้รู้สึกมันมันมันไม่ค่อยน่าดูความรู้สึก ข, ของตัวเองนะคะสุดท้ายก็ได้มาเจอทุกที่ทําให้เราเห็นทุกชัดขึ้นตรงที่ว่า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 อ่านี่ของคนโสดที่นี่ของคนเคยมีคู่มั้งกลับนัสการ์ต่อท่านท่านสนาํานักพระสิทธิธรค่ะเจริญธรรมค่ะพวกเราทุกคนค่ะเรื่องนี้ยเป็นเรื่องใหญ่นะคะเป็นเรื่องซึ่งเรียกว่ามะหึมามะหึมาดึงดาบันมาตั้งแต่อมีบาพารามิเซียมน ะ, ะตั้งแต่สัตว์เซลล์เดียวนะคะมันก็ต้องจับคู่เพื่อพันอะไรก็แล้วแต่เนี่ยค่ะ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 โอ้โหดูหนังก็แฮปปี้ <laughs> เอนดิ้งนะพระเอกนางเอกต้องรักกันต้องจบด้วยการแต่งงานนะคะโอโ้ดูอะไรมันก็โอ้โหเนี่ยเมื่อกี้ใครร้องนะเห็นนกน้องบอกว่าไม้อะไรนะคะทุกอย่างก็มีคู่หมดอ้าแล้วเราเป็นคนละ่ะเขาก็แต่งงานกันไปทั่วอะไรอย่างนี้นะคะอ้าวแล้วเราจะยังไงน ะ, ะมันก็เลยมีอุปทานว่าความรักเป็นความสุขแล้วก็มาได้ยินว่าพระเจ้าบอกความรักเป็นความทุกข์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 เทั้งพ่อแม่ทั้งเพื่อนฝูงอาจจะบอกคนนี้ไม่ดีแต่เราก็แหมชอบนะคะ <c oughs> ถึงร้ายก็รักเนี่ยที่บอกก็ความรักเหมือนตาบอดเนี่ยความรักเหมือนโรคาบป็ดาลตาให้มืดมน <c oughs> ไม่ยินและไม่ยน อ, อ, อุปศรกขใดใดความรักเหมือนโคถึกก็ยังคึกฝีขังไว้ก็แล่นจากคอกปบไยอมอยู่นะที่ขัง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 อัตมาก็ขอสรุปลงท้ายว่าวันนี้แม่เราเรียนเรื่องกับไอเรื่องอความรักสิมิติวันนี้เนี่ยโอ้โหได้เนื้อเนื้อนะอัตมาว่าน่าได้เนื้อเนื้อมันคงสะดุ้งกันไปหลายหลายคนนะสะดุ้งกันมันโอ้มันถึงถึงกันดีวันนี้ว่ากันนะนคงได้ผลม้างนะ ได้ผลบ้างนะนนการศึกษาวนันนี้เรื่องอความรักสมิติเนี่ยถึงแม้ว่าผู้ใดที่ยังเป็นยังมีอะไรอยู่ก็อย่าไปคิดว่าโอ้นี่เราดา่าเราว่าเราซ้ําเติมมาละจะัยอย่างที่สิกรรมาตบินฟ้าว่าเพราะว่ามันเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องสัจริที่ผู้ที่รู้ยิ่งที่สุดอย่างพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้แล้วแต่ว่าคนเรามันเอาวิชาจริงๆ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 ร่องนอ่ายิ่งมาเป็นคนแล้วเนะี่ยปรุงแต่งองค์ประกอบยั่วยวนมอมเมาโอ้โหยิ่งมากเรื่องหนักก็ไปอีกหนักมากๆเลยนะหาคุณค่าความดีความมีประโยชน์ไปประกอบนะไปประกอบใส่เข้าไว้ในความรักเมทุนนี่อีกอ่าเพื่อที่จะชูให้มันรู้สึกว่ามีค่าอะไรเงี้ยใส่เข้าไปปลอมแปลงยัดเยียดใส่เข้าไปเยอะเลยทุกวันนี้เขา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 มันเผื่อแผ่ไปมวลมนุษยชาติไปทั้งหมดทั้งโลกเลยอย่างนี้เป็นต้นมันจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนอ่ามันเห็นเพื่อเพื่อคนทุกๆคนเพื่อเต็มไปหมดเลยอ่เคลือนตมาว่าโดยปฏิพานสมบูรณเนี่ยคนทุกคนที่อัตมาพูดแล้วนี่ก็คงจะพอเข้าใจว่าเออจริงๆเลยนะอ่าแต่ทําไมคนไม่ทําเพราะไม่ได้ศึกษาจริงไม่ได้ปฏิบัติจริง อาตมาเป็นโปรติสัตย์เนอาตมาต้องทําคุณธรรมมันนี้ทําความจริงอันนี้ได้จึงรู้สึกดีเข้าใจดีเพราะอาตมาเขียนความรักสิมิติเนี่ยไม่ได้พลดัดไม่ได้อะไรมันมีมาตั้งแต่ไหนก็ไม่รู้อาตมาไม่ได้พลดัดไม่ได้อะไรเลยเดินไปเอ๊เท็นเรื่องอะไรดีคิดเรื่องนี้เท่เลยมิติสิการรักสิมิติตั้งแต่เน็ตที่จําได้อหนังสือเล่มนี้เกิด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 พอหมดจบเจดก็เป็นอรหัน์เป็นมิติที่ที่เกมิติที่8จะก็มิติที่ศึกษาของพุทธทั้งหมดมิติที่เกก็เป็นมิติที่หมดเป็นอรหรันเป็นอรหันเป็นนิพพานอรหันนิยมนิพพานนิยมส่วนมิติที่สนะิบในมันสูงยกไว้แล้วเป็นมิติของ พุทธนิยมหรือพุทธหรือโพธิสัตว์ภูมินิยมเป็นมิติที่ยกไว้นะ อ, ะอาละสลับวันนี้ก็สมควรแก่เวลาเจริญธรรมทุกคน อาซาตุ